หลวงพ่อยังไม่ได้กล่าวต้อนรับพวกราชการรับวิสัยทิศน์นะใครเป็นทีมๆต้องมีกล่าวสปีดใช่ไหม <c oughs> ยินดีต้อนรับนะจริงๆไฟฟ้ากับหลวงพ่อสนิทกัน <c oughs> ที่สาวหลวงพ่อก็อยู่การไฟฟ้าแผ่ผลิตนั่นแหละชื่อมัณฑนาศรีสมิทธ เมื่อก่อนพี่ เ, ยเขยก็อยู่พี่เคยชื่อเหมือนผู้หญิงนะชื่อว่าราวันงั้นคุณกับไฟฟ้านะคุณมานานนะเอาโทรศัพท์ก็มาด้วยมานิด เ, เรียนธรรมะเรียนง่ายๆนะเรียนแบบเป็นกันเองสมัยพุทธกาลนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็สอนธรรมะไดนะ้อยู่ที่ไหนก็พูดกันได้ธรรมะ ทำมาจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรคารวะก็ทําได้นะคารวะทําให้ถึงมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องที่ว่าเหลือพิสัยทําไม่ได้แต่ว่าต้องจริงจังหน่อยแต่จริงจังก็ไม่ได้จริงจังแบบบัวแบบควายนะเอาแรงเข้าทุ่มไม่ใช่เราพุทธเจ้าสอนหลักไว้แล้วเราจะมาทํานอกหลักเราพุทธเจ้าแล้วก็จะบรรลุอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราเลยต้องเรียนซะก่อน วาพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนอริยสัจเนี่ยครอบคลุมคําสอนทั้งหมดของท่านอริยสัจมีเรื่องทุกข์คาว่าทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าความทุกข์ต้องเรียนนะทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจท่านบอกว่าสังกิเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปเนี่ยขันธาคือตัวทุกข์ทุกข์ให้ทํำไรทุกข์ให้รู้ เพราฉะหน้าที่ของเราเนี่ยรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยๆไม่ได้ทําอย่างอื่นกับกายกับใจนะหน้าที่คือรู้กายรู้ใจถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเนี่ยพิจารณาอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ทุกนั่นเองคือไม่รู้ว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เราไปคิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษเนีแต่ว่าถ้าเรามาเจริญสติรู้กายเจริญสติรู้ใจรู้มากเข้ามากเข้าวเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะ พอมันเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แก่แจ้งทุกขสมูทัยจะเป็นอันถุกละอัตโนมัติเลยฉะนั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่สมูทัยถูกละเมื่อ น, นั้นจำไว้นะไม่ใช่ว่าละสมูทัยเมื่อไหร่คนทุกข์เมื่อ น, นั้นนะธรรมะมันควละระดับกันพวกเราเรียนธรรมะมันมีหลายขั้นตอนอย่างคนทั่วๆไปเรื่องสมูทยัยนะคนทั่วๆไปเห็นว่าถ้ามีความอยากแล้วไม่สมอยากนี่จะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วไม่ทุกข์มีคนทั่วๆไปเห็นได้แค่นี้ตื้นมากเลย มีความอยากแล้วก็ไม่สมอยากเราทุกนักปฏิบัติเายละเอียดขึ้นมาหน่อย <c oughs> เห็นว่าถ้ามีความอยากเมื่อไร่นะก็มีความทุกข์เมื่อนั้นจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากแค่เกิดความอยากขึ้นมาจิตมันจะเริ่มดิ้นรนมันจะดิ้นนะหมุนติ้วติ้ ว, วทำงานขึ้นมาเพราะฉะนั <c oughs> ้นทันทีที่เกิดความอยากความทุกข์ก็เกิดเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าไม่อยากเนี่ยความทุกข์ก็ไม่มีกายกับใจนี้ก็ไม่ทุกแต่ถ้าอยากแล้วจิตใจจะมีความทุกข์ขึ้นมา อย่างนี้ก็เรียกว่ายัางไม่รู้แจ้งอริยสัจจริงถ้ารู้แจ้งอริยสัจเนี่ยจะรู้เลยว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์อย่างจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองจะมีความอยากหรือจะไม่มีความอยากมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองเนื้อธรรมะมันลึกมากนะแต่เดิมเราไม่เข้าใจธรรมะอย่างนี้เราก็ดิน้นรนแสวงหาไปเรื่อยๆทยํายังไงจิตใจของเราจะมีความสุขถาวรทำยังไงจิตเราจะดีถาวรทํายังไงจิต จ, จะสงบถาวร เนี่ยเราเที่ยวค้นหาจิตที่ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรซึ่งมันไม่มีในโลกนี้มันมีแต่ของไม่เที่ยงมันมีแต่ของเป็นทุกข์มันมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเราจะไปหาอะไรที่บังคับให้ได้ควบคุมให้ได้แล้วมีความสุขด้วยเป็นตัวเราด้วยเราไปหาสิ่งซึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นการดิ้นรนค้นคว้าที่ภาวนาที่ปฏิบัติกันนั้ น, ท, นที่มุ่งเอาความสุขความสงบของจิตของใจเน่ะไม่มีทางละอวิชาได้เลย ถ้านอาจารย์มหาบัวท่านวิจารณ์บอกว่าภาวนาแบบนี้นะกิเลสหนังไม่ถลอกเลยไม่ถลอกจริงๆนะไม่ใช่แกล้งว่าเพราะอะไรเพราะมันภาวนาตอบสนองกิเลสภาวนาเพื่อว่าวันหนึ่งกูจะได้มีความสุขถาวรกูจะดีถาวรกูจะสงบถาวรในภาวนาของซึ่งไม่มีเนี่ยเพราะว่าปัญญาเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจ ถ, ถ้ารู้แจ้งอริยสัจเน้นะมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี่ปวดทุกข์ล้วนๆเนี่ถ้าเห็นอย่างนี้ มันจะหมดสมูทัยหมดความอยากโดยอัตโนมัติตันหามันจะเป็นอะไรตันหามันก็แค่ว่าอยากให้กายให้ใจมีสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกตันหามันก็มีท่านั่นเองงั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเห็นใจนี่ทุกล้วนล้วนไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างถ้าเห็นอย่างนี้นะตันหาจะถูกล่าอัตโนมัติไม่เกิดขึ้นมาทันทีที่ตันหาไม่เกิดจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขในฉับพลันนั้นเลยสันติสุขก็คือนิพพานหรือเพื่อคือนิโรดนั่นเอง ตัวสันติแนละตัวนิโรธตัวนิพพานเมื่อไหรจิตหมดตัณหาจิตก็หมดความดิน้นจิตที่หมดความดิ้นรนก็มองเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือนิพพานปรากฏอยู่ตนานาตตาในขณะที่รู้ทุกข์แจมแจ้งจนกระทั่งละสมูทัทยแจ้งนิโรธในขณะนั้นได้เรียกว่าอริยมรรคเนะื้นทุกขสมูทัทยนิโรธมรรคไม่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันไม่ใช่ว่ารู้ทุกขวันหนึ่งล้ะสมูทัทยวันหนึ่งแจ้งนิโรธวันหนึ่งไม่ใชนะ่เกิดในขณะจิตเดียว นี่ฟังแล้วเหมือนยากนะจริงๆไม่ยากเลยนะนี่พวกเราหลายคนอาจจะบอกว่าหลวงพ่อสอนอะไรฟังไม่เข้าใจนะพวกเราสายฟ้าแต่ก่อนนี้เรียนจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าเป็นหลักนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรียนสายไหนลนะมีสายไหนวัดป่าไหมอืมดีนะยังรักษาไว้ได้หลวงพ่อเ น, นี่ยแหละก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่าเดี๋ยวเล่าประวัติแล้วก็การปฏิบัติของหลวงพ่อควบไปเลยกันแล้วกันเพื่อให้ฟังง่าย เราจะได้เห็นมัคคารวาสก็ทําได้นะไม่ใช่มัคคารวาสทําไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองนะเราพุทธเจ้าไม่ได้ยกศาสนาให้พระนะพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาเนี่ยของบริษัทสี่พวกเราเนี้ยสองบริษัทแล้วใช่ไหมอุบาสกอุบาสิกานี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะส่วนทางพระเหลืออีกหนึ่งทิศสุนีไม่มีแล้วงั้นโยมนี่ได้ทั้งสองบริษัทอะสาคัญนะงั้นธรรมะไม่ใช่ของพระนะธรรมะเป็นของกลางกลาง หลวงพ่อเองภาวนาตั้งแต่เป็นคารวะนะนับตั้งแต่เจ็ดขวบนะปีศูนย์สองภาวนาตั้งแต่ปีศูนย์สองบางคนเกิดแล้วบางคนยังไม่เกิดหน้าตาอย่างนี้ยังไม่เกิดอย่างนี้คงน่าจะเกิดแล้วปีศูนย์สองเนี่ยพ่อพ่อของพ่อนะ่ยพาไปวัดอโศการามกรับท่านพ่อรีท่านพ่อรีเนี่ยเป็นพระที่แปลก ท่านพ่อรีเนี่ยคนไปหาเนี่นะหานั่งภาวนาเลยไม่เทศนะไม่เทศไม่เหมือนอย่างครูบาอจารย์บางองค์เจอหน้าแล้วท่านเทศไว้ก่อนท่านพ่อรีไม่เทศท่านพ่อรีสอนให้หายใจท่านหลวงพ่อนี่เริ่มเรียนอานาภาณสติจากท่านพ่อรีหายใจออกหายใจเข้าอะไรเนี่ยแต่แต่เดิมท่านก็สอนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูทธหายใจออกโทนับหนึง่ง เข้าฟูดออกโทนับสองอันนี้พวกเราคุ้นเคยใช่ไหมพอหลวงพ่อไปเรียนอย่างท่านแะล้วกลับมาบ้านตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันใดเลยที่ไม่ได้ทําอานาปานสตินะคําว่าอนาปานสติมันไม่ได้แปลว่ารู้ลมหายใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอนาปานสติถ้าจะแปลให้ถูกนะคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแตนะ่แต่ตก่อนนะี้ยังไม่เข้าใจตัวนี้ก็คิดว่าให้เรารู้ลมหายใจอย่าให้เผลอไปที่อื่น ดัง น, นเวลามาภาวนาอยู่บ้านยังเด็กเล็กๆเจ็ดขวบนั่งหายใจนะหายใจอยู่วันสองวันเท่า้จิตก็รวมแหละเพราะเด็กๆนี่ยมันซื่อๆมันภาวนาครูบาอาจารย์ให้ทําก็ทําลูกเดียวเลยไม่ได้คิดนะว่าทำแล้วจะได้อะไรจิตรวมลงไปก็ออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะอยากรู้อยากเห็นเลยเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไปหลายวันนะเมื่อวันนึงเกิดเฉลียวใจนี่ของเก่าเราเคยสร้างมา เวลามันเดินผิดทางนะมันจะมาเตือนเราจะมาเตือนเรารู้สึกว่าเออเราออกไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ใช่เทวดาเราไปอยู่กับเทวดาเขาก็ไม่ให้อยู่นะเนออี่ยเพราะงั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเราไปดูสมบัติชาวบ้านอย่างนี้แล้วใจเคลิ้มเคลิ้มออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นถ้าไปเกิดไปเจอผีจะทํำยังไงเป็นคนกลัวผีนะหลวงพ่อน้านะกลัวผีสุดๆเลยขนาดแมวที่บ้านตายนะกลางคืนไม่กล้านอนหลับ กลัวผีแมวมาเข้าฝันเนี่ยผีลูกแมวด้วยนะไม่ใช่ผีแมวตัวโตๆนะกลัวเนื่อนึกนี้ถ้าเราส่งออกไปข้างนอกเราไปเจอผีเราจะทาไงสู้มันไม่ได้นะกลัวต่อไปนี้จะต้องไม่ให้เคลิมนะมนั่งรู้ลมหายใจแล้วไม่ให้เคลิมนะเนื่อเริ่มเปลี่ยนการหายใจแล้วหายใจไปแล้วก็เห็นได้ตัวนี้หายใจไปด้วยแต่ทําอะไรไม่เป็นออกได้แต่ความสงบอย่างเดียวไม่ออกเที่ยวข้างนอกแล้นั้นแหละ หลวงพ่อทาอนาปนาสติเพื่อความสงบของจิตเนี่ยยี่สิบสองปีไม่ขาดเลยนะมันมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องมาเร่งรัดภาวนาทุกวันหายใจเข้าหายใจออกนับพุทโทรไปเข้าพุทออกโทรนับหนึ่งก็พุทออกโทรนับสองันนับไปเรื่อยๆท่านพ่อรีให้นับถึงสิบแล้วลงมาเก้าใหม่แล้วมาแปดอย่างนี้ เลากพ่อรู้สึกนับแค่สิบมันน้อยไปจิตมันลำคาญไม่ชอบนับมันถึงร้อยเลยเห็นไหมเราก็ปรับให้เข้ากับสิรนิสัยของเราจิตใจก็ได้แต่ความสงบนี่อยู่มาเรื่อยๆวันหนึ่งสนะิบขวบแลสิบวกำลังนั่งเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวเล่นลูกหินอยู่นะไฟไหมข้างข้างบ้านห่างไปสี่ห้าห้องพอเห็นไฟไหมตกใจ ตกใจเน่ยนะรีบกระโดดควา้าลูกหินไว้ก่อนของของเราเราไม่ทิ้งนะเห็นไหมไม่ขาดสติถึงวิ่งทิ้งของนะเรียกว่า ง, งบนั่นแหละคนะวา้าลูกหินมาได้แล้วก็วิ่งเลยไปบอกพ่อวิ่งกล้าบ้านนะวิ่งไปทับชับสามเก้าเ ท, ท, ท 39, ่านั้นนะสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะมันย้อนกลับมาเห็นความตกใจเห็นความกลัวโดวยอัตโนมัตินะเรื่องเนี้เคยไปเล่าถวายหลวงพ่อพุธ หลวพรอพุธ ท, ท่านก็บอกว่าของมันเคยทํามาแต่ชาติก่อนๆในเวลาที่เราเกระทบอารมณ์ที่รุนแรงเนยมันจะกลับมาเองสติเนี่ยมันจะกลับมาเองมีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนกับหลวงพ่อท่านเรียนอยู่หกเดือนนะเข้าใจธรรมะองค์นี้ท่านก็เล่าให้ฟังพอท่านเข้าใจธรรมานะท่านเล่าให้ฟังว่าพอเข้าใจขึ้นมาแล้วจำได้เลยนี่ของเก่าความรู้สึกตัวอย่างเนี้ความมีสติอย่างเนี้ยเป็นของซึ่งเคยมีมาแล้วในอดีต ตอนท่านเด็กๆเป็นวัยรุ่นเยตก ว, ว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อสิบปวกเห็นไฟไหม้ของท่านเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวลอยกระทงกําลังเดินเพลินๆอยู่เขาจุดฟุกเรี่ยงขึ้นมาข้างๆตกใจสะดุ้งสุดตัวเลยเห็นจิตที่ตกใจนะความตกใจก็ขาดสะ บ, บั้นลงโดนนั้นเลยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนนะนี่สภาวะอย่างเนี้ยสังเกตไหมว่ามันจะเป็นสภาวะที่เจือด้วยโทสระความกลัวความตกใจอนะไร หรือถ้าโกรธแรงๆนะแต่กูลโพสานี่มันดูง่ายงั้นอย่างเวลาเราฝึกปฏิบัติไว้เราชาตินี้ยังไม่ได้ข้ามหน้าข้ามพบข้ามชาติไปนะเวลาเราไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงสติจะเกิดขึ้นเองงั้นไม่หายไปนะไม่ใช่เหมือนเรียนปริยัติเรียนปริยัติแล้วพอแก่ก็ลืมละหรือพอสอบเสร็จก็ลืมหมดละะแต่เรียนปฏิบัติเนี่ยฝังเข้าถึงจิตถึงใจไม่ลืม น, นี่ตอนสิบลวบนะมันมาดูจิตได้แต่ว่าลืมไปอีกไม่เข้าใจ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองพราะมีครูบาอาจารย์ท่านพ่อรีก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นไม่มีท่านพ่อรีแล้วจะไปหาครูบาอาจารย์อื่นก็ไม่รู้จักนัะนแต่อยู่อีสานทั้งนั้นเลยหลวงพ่อก็ทําอะไรไม่เป็นหลวงพ่อก็ทําแต่อานาปนานสติเรื่อยมาจนวันหนึ่งนะอายุยี่สิบเก้าแล้วปีสองห้าตนปีสองห้าเนี่ยไ <c oughs> ปอ่านหนังสือประวัติหลวงปูงแหวนเขาเหลือที่ว่างอยู่นิดหนึ่งท้ายหนังสือ เขาเอาอริยสัต์แห่งจิตของหลวงปู่ดูลมาลงพิมพ์ไว้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกแต่จิตของผู้ทุชนเมื่อออกนอกแล้วก็เพื่อมบ่นไหวจิตพระริยะเจ้าเนี่ยถึงออกนอกก็ไม่ก็เพื่อมันไหวถ้าสอนอย่างนี้ะ เอ้เรามาฟังธรรมะอย่างนี้เอ้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังธรรมะอะไรเรื่องจิตเรื่องใจดูชื่อว่าใครเขียนไว้ใครสอนพระรัตนกรีิสุดธอ น, นี้ราชิน น, เ า, า, น, น า, าเก่าทนะ่านสมณะสักเก่านะหลังเป็นชั้นรากในหนังสือที่เขียนพระรัตนากรวิสุดธ์เราก็ดูไปถามคนนะเขาบอกว่าเป็นอาจารย์โลกงปู่ฟั่นอีกจริงเราโอ้อาจารย์โลกงปู่ฟัน่น คงไม่ทันแล้วคงไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เฉยๆไปพักหนึ่งนะเสร็จแล้วมีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าท่านยังอยู่อยู่ในเมืองสุรินเลยนะได้ยินว่าท่านยังอยู่นะสองคนพากันไปกับพงเชษที่พงเชษพากันไปอท่านนั่งรถไฟไปลงสุรินมาลงที่เมืองแล้วก็เที่ยวถามเขานะเอาของไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนเที่ยวถามเก็ว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีคนรู้จักปรตลาดไหม เราได้สงสัยมันอยู่อำเภอเหนือ น, นอกๆเลยเที่ยวเดินไปเรื่อยๆไปเจอตำรวจอยู่ที่สี่แยกถามว่าวัดบูรพารามอยู่ไหนบอกอยู่นี่อยู่หลังตึกแถวนี้เองบอกโอ้ยถามมาถามชาวบ้านไม่มีใครบอกเลยนะบอกแต่ไม่รู้จักบอกชาวบ้านไม่รู้จักชาวบ้านเรียกว่าวัดบูน <c oughs> เขาไม่เรียกวัวดบูรพารามอยู่ข้างหลังนี่เข้าไปหารีบไปไปถึงน้ําพระเขาบอกนี่ท่านกําลังฉันข้าวอยู่เข้าไปเลยเราปลอดนะ ปลอดเหมือนกันนะไม่ใช่เก่งกล้าสามารถไม่กลัวไม่ใช่นะเอ้นิสัยยังไงก็ไม่รู้พระผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นเจ้าปู่ด้วยดูเปล่าก็ไม่รู้ไม่คุ้นกับท่านเลยแยงแยงนะเราเลยยังไม่กล้าเข้าไปจ ด, จ, ดจ้องจ้อ ง, อ, งอยู่ขงหน้ากุฏิเสร็จแล้วพอท่านฉันเสร็จท่านเดินออกมาเองมาชะโกใส่เรานะแล้วท่านก็กลับไปนั่งก็อี้โยกหน้ากุฏิเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ หลวงปู่หลับตาไปเกือบชั่วโมงสี่สิบห้านาทีได้เกินครึ่งชั่วโมงหลับตาเงียบเลยนะแล้วโอ้หลวงปู่ฉันข้าวแล้วหลับไปแล้วนะหารู้ไหมนะโง่โง่นะสุสิไม่ได้รู้เรื่องอะไรเล ย, เลยทําได้แต่ลมหายใจอย่างเดียวมาแข่งลมหายใจกันนีสู้ตายเลยนะแต่อย่างอื่นนี่งโง่สุดๆเลยไม่รู้เรื่องเลยนะหลวงปู่หลับไปแล้วอทําไงดีก็นั่งรอไปเรื่อยๆพอหลวงปู่ลืมตาขึ้นมาหลวงปู่สอนเลย การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่วัดิ่งคากับคําเลยจําฝังอกฝังใจให้บอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมตอนนั้นมันกําลังปลื้มนะเพราะท่านพูดด้วยแเราท่านพูดได้แล้วนะวเข้าใจครับเข้าใจเออเข้าใจแล้วไปไปทําเอาเนี่ยไม่มีอ้อยส้อยเลยนะ <c oughs> นั่งรถไปทั้งคืนเลยเนะี่ย เทศที่เราฟังท่านี้บอกให้ไปทําเอาล่ะกลับมามาแวะวัดป่าสารวัตรหน่อยอย่จะนั่งดูไปเรื่อยนั่งรถไฟมาดูมานะทีแรกก็เอ๊ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองให้อ่านจิตตัวเองจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยเริ่มมีปัญหาแล้วว่าจิตมันอยู่ที่ไหนนะจิตต้องอยู่ในร่างกายคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้เกินกายออกไป เราจะไม่ไปหาจิตที่ภูเขาที่ต้นไม้เราจะมีสติไล่อยู่ในกายเนี่ยจิตต้องอยู่ในนี้ท่านให้ดูจิตแล้วเราจะดูอยู่ในกายแล้ววันหนึ่งเราต้องเห็นจิตคิดอย่างนี้นะคิดแบบไม่เรียกว่างโงอ่อันนี้คิดถูกหลักถูกเกณนแบบเซ่อเซไปถูกถูกไปได้อย่างเซ่อเซนะไม่รู้อะไรหรอกคิดเอาเองเสร็จแล้วนั่งรถไฟมาก็รูปผมเลยนี่ผมผมยาวนะไม่ใช่ผมสั้นอย่างตอนนี้ผมยาวรูป ไม่มีจิตในผมนี้ผมนี้ไม่ใช่จิตไล่ลงมาในตั้งแต่ผมนะถึงเท้าเลยไล่ขึ้นไล่ลงไม่มีจิตรู้แต่ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่จิตอยู่ตรงไหนก็ไม่ใช่อยู่ที่สะดือก็ไม่ใช่ที่ท้องก็ไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็ไม่ใช่ไม่เห็นมีมาดูลงไปตรงไหนมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่วัตถุมีแต่ก้อนธาตุจิตนี้ไม่ได้จะไปดูทางร่างกายนี้ไม่เจอจิต หรือว่าจิตคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คิดอย่างนี้นะคิดโง่ๆ อ, อ, อ, อีกแหละไม่ได้รู้ปริยัติจิตคงคงเป็นความสุขความทุกข์นี่แหละเราทําใจสบายแม้มีความสุขดูลงไปในความสุขไม่เห็นมีจิตเลยความสุขมันก็เกิดแล้วมันก็สลายตัวไปเฉยๆดูลงไปนะกรุ้มใจแล้วหาจิตไม่เจอกลุ้มใจดูลงไปในความกลุ้มใจไม่มีอะไรเลยหาจิตไม่ได้ดูไปจิตเป็นความคิดหรือเปล่าหาไปเรื่อยๆนะ จิตเป็นความคิดทุกปัจจัยเราลองคิดดูสิเราคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหั่นโมโหนะคิดบทสวดมนต์ถ้าคิดบทสวดมนต์เราเห็นในความคิดฝุดขึ้นมาเป็นสายเลยความคิดพุทโธสุสุทโธเนี่ยในที่สุดก็เห็นว่าอ๋อจิตคือคนที่ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเราเห็นเลยจิตเป็นคนไปรู้กายจิตเป็นคนไปรู้เวทนาจิตเป็นคนไปรู้ความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเราดูแต่ละปรากฏการณ์มาแล้วในที่สุดเราจับตัวร่วมของปรากฏการณ์ขึ้นได้ จิตก็คือตัวที่เป็นธรรมชาติรู้นั่นเองพอเข้าใจตรงนี้นะมันหลุดพุ่งออกมาเลยนะจิตอารมณ์ได้แยกออกมานะพขาหลุดออกมาเฮ้ยจิตมันหลุดออกมาได้นะพอเฮ้ยทีเดียวนะเกาะเข้าไปเลยดึงไม่ออกแล้วคราวนี้ไปเกาะพวกเราที่ภาวนากระลงข้าช่วงหนึ่งจะเห็นในจิตกาอารมณ์มันไปเกาะกันอยู่ดึงไม่ออกพยายามนะพยายามต่อสู้อยู่อาทิตย์หนึ่งทิตหนึ่งมันหลุดออกมาได้สองสามแว็บนะก็กลับไปเกาะ อ, อีกปลอบใจตัวเอง นี่เห็นไหมภาคเพียรมาที่หนึ่งมีพัฒนา ก, การละหลุดมาได้สองสาแบทและไม่ด่าตัวเองนะว่าโง่โง่เป็นไรเลยทํามาตั้งนานแล้วได้แค่นี้ไม่ได้ว่าอย่ า, ยางนั้นให้กําลังใจตัวเองต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองนะแต่เวลามันซาก็ต้องรู้จักด่าตัวเองด้วยต้องรู้จักทั้งขู่ทั้งปลอบมันเสร็จแล้วดูไปอีกห้าวันคราวนี้หลุดมาได้หลายนาทีดูไปอีกดูไอีกนะคราวนี้ในวันเดียวกันเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็เกาะเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็วกาะ แล้วก็เริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวมันวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิดมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะอยู่นิ่งๆได้นะเนี่ยมันวิ่งไปตรงนั้นดึงคืนมาแน่นเลยวิ่งไปอย่างนี้ดึงคืนมาแน่นเลยเอ้ก้อนแน่นๆนี่ก็ไม่ใช่จิตนะเราต้องทําลายมันให้ได้แล้วจะเจอจิตหรือมั้งนี่คิดโงงๆอีกแล้วเพราะครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนแล้วนะสอนคําเดียวไม่มาสอนเยอะเราต้องค้นกว้าหาทางปฏิบัติเองไอ้ก้อนนี้มันอะไรนี่เพ่งมาเลย อยู่ที่กลางหนะ้า อ, อกนี่ก้อนหนักๆ น, ก น, กนี่เพ่งระเบิดเปรี้ยงเลยนะโอ้โล่งวันนี้ภาวนาดีอีกวันมันมาอีกแล้วเพ่งมันอีกเพ่งมันไม่แตกตอนนี้เพ่งมันไม่แต ก, ะกนะกําหนดจิตแหลมเหมือนเข็มเลยนะแทงมันมันเด้งดึงดึงได้นะมันหยุนหยุนต้องแทงให้ถูกมุมนะระเบิดปุ้งเลยมันลุกบโบกโอ้วันนี้เก่งอีกแล้วอีกวันมานะแทงยังไงก็ไม่แตกต้องทุบต้องตีต้องดึงต้องแก้ไขอ ย, อยู่เรื่อยๆนะ ฝึกอยู่อย่างนี้จนกระทั่งวันึ่ไอ้ก้อนนี้ค่อยๆ ค, ค, คลายไปใจเราก็เป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาใจเราเป็นผู้รู้เราก็เห็นเน้เดี๋ยวกูวิ่งอีกละทําทยัางไงจะไม่ไปเนีพยายามมารู้ลมบ้างอะไรบ้างเพื่อไม่ให้จิตหนีไปทํางานพยายามแก้ไขอาการของจิตตลอดเวลาเนี่ยไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกมาคะปีสองห้าไปหาท่านครั้งที่สองวิสาขห่างกันสามเดือนไปถึงท่านนะคิดว่าท่านจะชมหลวงปู่ผมดูจิตเป็นแล้วนี่ไปบอกท่านอย่างหน้าตาเฉย จิตเป็นยังไงจิตเหรอจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปนะเราก็เอากลับมาวิ่งไปก็กลับมาได้ท่านบอกว่านั่นมันอาการของจิตไม่ใช่จิตกลับไปดูใหม่ไม่บอกนะว่าให้ไปดูอะไรบอกแค่ว่านั่นมันอาการมันไม่ใช่จิตเสร็จแล้วท่านก็เทศจิตคือพุทธะให้ฟังนะฟังไปด้วยความเหนื่อย อ, อะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องสักประโยคนึงนะท่านเทศอะไรก็ไม่รู้ท่านเทศจนจบนะ ถามหลวงปู่หลวงปู่ที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหม <c oughs> ท่านบอกมันก็มีแค่นั้นแหละธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธนะ์น่ะรวมลงที่จิตอันเดียวกลับมานะมาดูจิตเอ๊ะท่านว่าเราไปหลงอาการเพระงั้นเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับอาการมันเพราะนั้นจิตมันจะขยับขยืน่นเคลื่อนไหวอะไรเราจะรู้ไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงอาการมันหลวงพ่อดูอยู่สี่เดือนครบเจ็ดเดือนปดิเป้เลย วันหนึ่งฝนตกเลิกงานแนละ้วฝนตกออกจากที่ทํางานนะอยู่ในสำรรเนียงรัฐบาลตอนนั้นะกลางร่มออกมานะขึ้นสะพานมรควรานีนะ้พายุตีร่มพับหักหมเลยพนะับขึ้นข้างบนไปหมดโอ้เปียกหมดทั้งตัวล้วนะไม่รู้จะทํำยังไงตอนนั้นพงเชษที่ว่าไปหาหลวงปู่ด้วยกันนะเขาบวชอยู่วัดสมเด็จนเะข้าไปพักอยู่ที่กุฏิเขาไปนั่งกอดเขานะไม่กล้านั่งพับเพียบตัวเราเปียกน้ําหยดติงต๋งๆเลยนะ นั่งกอดเข่าคือมันจะเปียกในที่น้อยหน่อยรัดเข่าอย่างนี้นะ ใ, ใจมันกังวลขึ้นมาเราเปียกฝนอย่างนี้เราต้องป่วยแน่ๆต้องเป็นหวัด ต, ต้องเป็นไข้อีกล้วพาเปียกฝนทีไรไม่สบายทุกทีเลย น, นีจิตที่มันเคยดูจิตจนชํานาญมาสี่เดือนแล้วเนี่ยมันเห็นความวกังวลนพอมันเห็นความกังวลปุ๊บความมัวขาดสะบั้นตรงนั้นเลยโลกกาตแดับลงตรงนั้นเลยไม่มีพายุไม่มีอะไรละเหลือแต่จิตอันเดียว เสร็จแล้วจิตมันก็แสดงอะไรต่ออะไรให้ดูนะเราถอยออกมาเรารู้แล้วโอ้จิตไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอีกในโลกนี้ถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเราอีกละนี่ใจมันคิดอย่างนี้นะแล้วพอออกพัรษาขึ้นไปกลับลงปู ด, ดูลตอนนั้นกาลังมีงานช้างพอดีเลยแต่ตอนเข้าไปเนี่ยไม่เสียสตังเพราะไปตั้งแต่กลางวัน ถ้าเข้าไปตอนค่ำๆต้องสี่ตัวนี่เราเข้าไปแต่ตลางวันไปนั่งอยู่กับท่านตอนเย็นๆนะแต่ว่าเขายังไม่เก็บตังเข้าไปอยู่กับท่านากราบท่านบอกหลวงปู่ผมภาวนานะจิตมันก็รวมเข้าไปหนะลวงปู่พูดที่เหลือต่อให้เองเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าช่วยตัวเองได้ละถึงพระรัตนตรยัยละต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาจะมาอีก แต่เราก็ดื้อนะเราไปอีกนะเราไม่ใช่เชื่ออย่างที่ท่านบอกหรอกรบบารวะก็ทําได้นะขอให้รู้ลงไปให้รู้ลงไปนะอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจนะรู้ลูกเดียวเลยหลวงพ่อภาวนากลับมานะภาวนาอีกเก้าเดือนนะตอนในเก้าเดือนก็มีผลงานไปรายงานได้อีกเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงนั้นหลวงปู่ ด, ดูลสิ้นไปละส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับหลวงปู่เทศ ถ้าไม่ไปอยู่กับหลวงปู่เทศที่จะไปอยู่กับหลวงปู่สิมเนีอยู่วนเวียนอยู่กับครูบาอาจารย์นี่แหละนี้วันนั้นภาวนามีอยู่ช่วงหนึ่งในปีสองหกภาวนาเอเรานั่งทีไรนะหลับทุกทีซึ่งไม่เคยเป็นเรามีสติเข้มแข็งนะตั้งแต่เด็กมานั่งไม่หลับนะตั้งแต่เล็กเลกเจ็ดขวบนั่งไม่ได้เคลิมเงอะแง่เงาะแง่ไม่มีหรอกช่วงนั้นนั่งภาวนาแล้วมันเคลิมตลอดเลยขึ้นไปถามหลวงปู่สิม ขึ้นไปวันอาสันหะหลวงปู่นั่งแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะขนาดนั่งขัดสมาธิเพชยังหลับเลยขนาดเดินจงกลุ่มก็หลับนะบอไม่เคยเป็นจะทํำยังไงหลวงปู่บอกว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรทําไปเถอะจะได้ของดีในพรรษานี้แล้วก็บอกว่าไปได้แล้วให้ไปทําเองนะนี่ครูบาอาจารย์อยู่กับท่านนะโอ้ยยากไม่มีบอกอะไรง่ายๆว่าจะได้กินแต่ละคําของท่านนะ กินยากไม่เหมือนหลวงก็อนะบอกละเอียดยิบเลยถจนกระทั่งจิตขยับยังไงก็ยังบอกให้นะนี่ขากลับนั่งรถทัวร์กลับกรุงเทพนะจิตมันค่อยถอนขึ้นถอนขึ้นขื้นวันเข้าพรรษาวันรุ่งขึ้นหนะึ่งเราก็เข้าใจธรรมะมากขึ้นไปอีกนะเสร็จแล้วต่อมาก็ผัดภาวนานะดูไปเรื่อยๆหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วมีวันหนึ่งไปอยู่กับหลวงพ่อคืนเป็นสาขาของหลวงปู่ดูล เวลาเราไปดูจิตดูใจพอมันละเอียดแล้วเราถล่มลงไปดูจ้องจ้อ ง, องลงไปดูข้างหนอยากรู้ให้ชัดจิตมันถล่มลงไปหลวงพ่อคืนบอกให้ประโมดดูจิตสิดูผู้รู้นี่ไปัวอะไรตัวน้อนตัวน้อนถูกรู้เราเลยคิดว่าท่านจะให้ให้ดูตัวผู้รู้มบกับนะเข้ากุฏิไมาได้นั่งเท่งตัวผู้รู้เลยนี่ผิดอีกแล้วผิดอันนี้สาหาัสสาการเลยนะผิดเป็นปีเลยจิตมันเข้าไปติดเกาะนิ่งๆอยู่ที่ตัวผู้รู้ะ เห็นหน้าตาพวกเราหลายคนก็มีนะหน้าตาชอบเพ่งระมัดระวังนะไม่มีประโยชน์หรอกหลวงพ่อเพ่งตั้งยี่สิบสองปีนะไม่ได้เรื่องเลยเสร็จแล้วไปเพ่งตัวผู้รู้อีกนะทีแรกเพ่งลมหายใจด้านหลังมาหลงเพ่งตัวผู้รู้ปรับอยู่เป็นปีพอ เ, เป็นปีแล้วใจสบายต่อไป น, นี้นเวลาเห็นสภาวะธรรมนะจิตมันเคลื่อนไปเห็นสภาวะมันเคลื่อนไปจะไปหาสภาวะพอเรารู้ทันมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ เราก็ไม่ยอมมาเพ่งตัวผู้รู้อีกนะมันก็ทวนออกไปเนี่ยไล่ลเข้าไล่ออกนะระหว่างจิตกับวัตถุไล่เข้าไล่ออกรวมลงลงไปตรงกลางเลยเฉยๆเลยนะจิตคราวนี้โลกกระทัดไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้ตรงนี้ละมัง้งนิพพานเนี่ยที่แย่ยงนี้นะไปหาหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศบอกว่าฝึกไว้ฝึกไว้กรรมาฐานสมาบัติอย่างนี้นะไม่มีใครเล่นละให้เล่นไว้ท่านบอกเนี่ยบอกผมกลัวติด ท่านบอกอยากกลัวถ้าติดท่านจะแก้ให้ท่านว่าอย่างนี้นะนี่เราก็เล่นอยู่ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องสมาธินะท่านอยากให้เราฝึกสมาธิเหมือนกันเจอทั้งวันหนึ่งนะไปสัมมนาที่เชียงใหม่พอตกค่าข้ราราชการสัมมนาต้องกินเลี้ยงใช่ไหมต้องกินเหล้าเป็นไหมการไฟฟ้าไม่เป็นก็แปลกแหละนะต้องกินเลี้ยงกลางคืนเขากินเลี้ยงเราหนีไปวัดหนีไปวัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองอิน จเจอพระองค์หนึ่งดักอยู่หน้าวัดพระองค์นี้มาถึงก็บอกเลยบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์ทํานผาพึ้นอาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปพบสรวจเลยให้ไปพบเลยบอกไม่ไปไม่รู้จักไม่ไปนะไม่ยอมชวนไงก็ไม่ไปก็ไปหาอาจารย์ทองอินไปคุยกับท่านอยู่ชั่วโมงกว่าๆนะออกมาตึกเลยสามสี่ทุ่มนะสามทุ่มกว่าเมื่อตึ่นตืต่เลยวัดท่านเหมือนไม่มีไฟฟ้าเลยตรงนั้นพระนี้มาดักอยู่หน้าปุตติ บอกไปพบหน่อยสิจันบุญจันทร์มาอกอ่ะเสียไม่ได้นะขึ้นไปพอลงกราบนะท่านถามว่าภาวนาอย่างไงเล่าให้ท่านฟังในเรื่องที่เข้าสมาธินี่ยโอท่านตัดข้อก่อนเลยบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนายัางไงอีกเล่าอีกนะท่านก็ตัดข้ออีกแต่ข้อครั้งที่สองนี่จิตเราหลุดออกมาแล้วโอ้นี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางแล้วแต่ว่าที่หลวงปู่เทศท่านให้ทาเนี่ยท่านให้เล่นอาไว้ให้ซ้อมไหมให้ฝึกอ่ะไม่มีคนเล่น แต่ว่านี้ไม่ใช่ทางคนทุกข์พอใจมันรู้อย่างนี้นะั่นมันไม่เอาแล้สมาธิทั้งหลายนะ่ะทิ้งเลยไม่เอาพอทิ้งสมาธิไปหมดเลยคราวนี้รู้ลูกเดียวรู้ไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นรู้รูปเดียวมีช่วงหนึ่งนะมันเห็นแต่สภาวะเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนไหวยิบยัยิบยับยับทั้งหลับทั้งตื่นเห็นอยู่อย่างนั้นยิบยับยิบยั บ, หบ เ, หอยอยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยก็นึกว่าวันนี้ขอไม่ภาวนาสักวันเถอะขอไม่ดูขอไม่ดูก็ไม่ได้ เพสติเป็นอัตโนมัตินะทําไงก็ไม่หายทําไงก็ผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเหนื่อยมากเลยเครียดวิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธนะจําได้เลยไปวันบูรพาจารย์คนเต็มวัดเลยรักก็คอยมาเร่งบอกหลวงพ่อเ้าพร้อมกันแล้วให้หลวงพ่อไปเทศที่ศาลาหลวงพ่อบอกยังยังต้องแก้ตรงนี้ก่อนตัวนี้สําคัญนั่งแก้กรรมฐานให้หลวงพ่ออยู่ชั่วโมงเหนื่อยมากเลยนะ เราก็เหนื่อยท่านก็เหนื่อยใจมันไม่ลงท่านบอกว่าเมื่อภาวนาไปถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันเห็นแต่สภาวะยิบยับยิบยับนี่เนะ่ยให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปอนะไรเราก็รู้นะฟังท่านพูดก็รู้แต่ทฤษฎีนะใจมันไม่ยอมมันเหนื่อยสุดท้ายก็ต้องบอกท่านนี่มณฑลหลวงพ่อไปเทศที่สาราเถะคนรออยู่นานแล้วนะทั้งปลาทั้งโยมเราก็กลับมาไม่รู้จะทํำยังไงนะเขียนจดหมายไปหาแทนมหาบัว แต่ก่อนเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ข้ามมหาบัวนะไม่ได้ไปเรียกท่านว่าหลวงตา บ, บัวนะเ <c oughs> ขียนจดหมายไปถึงท่านอาจารย์ข้ามมหาบัวกเนี่ยสภาวะเป็นอย่างนี้ธรรมดาเขียนไปท่านี่เขียนตอบมัดสอนกรรมฐานให้เราทางจดหมายคราวนั้นท่านตอบแบบสั้นๆบอกเราเครื่องไปผ่าตามาัะเขียนจดหมายยาวไม่ได้เอาหนักสือไปอ่านเองส่งนังสือทําเตรียมพร้อมมาให้เล่เนเลื้มเลย เห็นล้วท้อใจเราไม่ชอบอ่านหนังสือเราจะสงสัยอยู่จุดเล็กนิดเดียวนะาหนังสือมาให้เราเล่มใหญ่ท่านให้มาแล้วก็ยกมือไหว้นะกราบท่านยกมือไหว้หยิบหนังสือมาเปิดโป๊ะหน้านั้นเลยที่เปิดออกมาเรื่องภาวะที่ยิบยับยิบยับนี่แหละอาอ่านดูแล้วเหมือนที่หลวเพ่อพูดบอกวะนะใจไม่ลงอีกล่ะรุ่มใจเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนะไปทํางานไปขึ้นรถเมล์ตอน ร, รอนรถเมล์เนี่ย โอ้เหนื่อยเต็มประดาละวันนี้ขอพักดีกว่าทําสมสาธดีว่าหายใจเข้าพูทธหายใจออกตัวนับหนึ่งนะนับไปถึงยี่สิบแปดจิตก็รวมเข้ามานะพอรวมจิตถอยออกมานะสภาวะนี้ขาดสะบั้นเลยเรารู้โอ้เราเจริญแต่ปัญญาเราทิ้งสมาธินี้ก็โง่อีกแบบหนึ่งนะเห็นไหมวันนี้เล่าแต่เรื่องโง่โงของหลวงพ่อเห็นไหมโง่ไปติดสมาธิโง่ไปหาจิตโง่ไปแก้อาการของจิตนี่เรื่องโง่โงทั้งนั้นเลย นี่โง่ทิ้งสมาธิไปทิ้งสมถะแล้วสมถะก็ทิ้งไม่ได้นะแต่ทําสมถะอย่างเดียวก็ไม่บรรลุมากุลนิพพานคนละเรื่องกันเลยแต่ไม่มีสมถะเลยก็ไม่มีเรื่องมีแรงเหมือนมีมีดทื่อฟันอะไรก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสงบเป็นช่วงๆไปแต่สงบแล้วต้องออกมาลุกกายสงบแล้วต้องออกมารู้ใจมีคราหนึงเขียนไปหาอาจารย์มาหาบวุญท่านก็เขียนมาว่าภาวนาไม่มีอะไรหรอก มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสามารถอย่างนี้จริงๆท่านสอนแบบก็ครอบทุมหมดแหละเมื่อเราต้องมีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆนะนี่เล่าเรื่องโง่ๆเรื่องคีดเธอให้ฟังเนาะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการภาวนานี้ยากเย็นแสนเข็นเกินไปพระลวงพ่อภาวนาตอนเป็นฆลาวาสอย่างพวกเรานี้แหละตอนนั้นทํางานหนักมากนะอยู่สภาความมั่นคงสภาความมั่นคงงานเครียดสันหลัง เหนื่อยแล้วก็เลยย้ายมาอยู่อง์การโทรศัพท์งานสบายกว่ากันเยอะเลยนี่นินทานะ <c oughs> งานสบายกว่ากันเยอะเลยอย่างสภาความมั่นคงเนี่ยทานยโยบายผิดนะคนล้มตายเยอะแยะเนี่ยมันเครียดเพื่องนการภาวนาแล้วก็พอเป็นฆราวาสเราภาวนาอยู่ได้แค่นั้นแหละมันไปต่อไม่ได้มันห่วงเมียนะภาวนาต่อไม่ได้ก็ตันอยู่แค่นั้น โดยทั้งมาบวชมาบวชแล้วการภาวนามันง่ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องบวชนะธรรมะเบื้องต้นเนี่ยฆราวาสก็ทําได้อย่างหลวงพ่อมีเวลาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีมีพระมีอะไรเนี่ยจะมานั่งฟังที่เราไปส่งกันบ้านให้ครูบาอาจารย์ฟังเสร็จแล้วบางทีท่านก็ตามออกมาท่านถามโยมโยมทําได้ยังไงพระทำยี่สิบปีไม่เหมือนโยมทําปีหนึ่งอะไรเงี้ยบางองค์บอกอย่างนี้ ผมทํากันบ้านทั้งวันผมไม่ได้อยู่กับความสงบเฉยๆพอจิตใจผมสงบสบายแล้วผมมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนมันเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนตตัวหนึง่งเหมือนเปลือกอันนึงซึ่งมีจิตอาศัยอยู่ภายในมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา เช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยหรือมาดูจิตใจเราเห็นจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตใจที่มันก็ทํางานของมันเองเราบังคับมันไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องสุขจะต้องดีจะต้องสงบ บางทีก็สุขบางทีก็ดีบางทีก็สงบบางทีก็ไม่เป็นอย่างนั้นนี่เราเห็นแต่ความแปรปรวนการบังคับไม่ได้การที่เราเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เ, าเห็นว่ามันมีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงนี่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์การที่เราเห็นกายเห็นใจมีไตรลักษณ์แสดงขึ้นมานี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การนั่งคิดเรื่องร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะ วิปัสนาคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตร ล, ลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสนาดังนั้นเราดูรู้รู้ไปอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งเขาพอของเขาเองเวลาที่พอมันมีกระบวนการจิตมันจะรวมเข้ามาจิตมันจะต้องเริ่มพัฒนาไปเป็นขั้นๆก่อนทีแรกเราก็เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะบังคับมันไม่ได้แบบนี้ ตัวเราเขาไม่มีเนี่ยชักเห็นว่าตัวไม่มีพอตัวไม่มีใจชักเบืองว่างว้าเวทีก็กลัวบางคนก็รู้สึกน่าสยดสยองบางคนก็เบื่อเนะบื่อจับจิต จ, จับใจเลยเบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันเบื่อดีกับชั่วเท่าๆกันนะถ้าเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเสมอกันนี้เรียกว่านิพิทานะถ้าเบื่อสุขแต่ว่ารักทุกข์เลยอย่างนี้ไม่เรียกว่านิพิทาเบื่อชนิดนี้เป็นโทสัต ในสุดใจเราเป็นกลางกับทุกๆสภาวะนะแล้วเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางๆหัดรู้ไปนะเช่นใจมันเกิดกิเลสขึ้นมาอย่าไปเกลียดมันกิเลสเกิดขึ้นมารู้ว่าจิตมีกิเลสเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเลยจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะท่านไม่เคยสอนนะพิสูจทั้งหลายห้ามมีราคะพิสูจทั้งหลายห้ามมีโทสะไม่เคยสอนพิสูจทั้งหลายมีราคะแล้วรีบละเสียนี่ก็ไม่เคยสอน นะพิสูจทั้งหลายมีโทสะให้รีบละไวไวนี่ก็ไม่เคยสอนเคยสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะให้รู้ั่ามีโทสะเราจะเห็นเลยไอ้ที่มีราคาคือจิตไม่ใช่เราที่มีโทสะก็คือจิตไม่ใช่เรานะจิตมันไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆตัวเราไม่มีากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญานะมีปัญญาเต็มที่คราวนี้ยจิตจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็ไม่ยินร้ายเพราะรู้ว่าชั่วคราวกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันนะจำไว้นะพวกเรากิเลสเกิดก็อย่าไปเกลียดมันกิเลสก็เป็นครูเรากิเลสสอนไจรักเราเท่าเท่ากับกรูสอนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเกลียดกิเลสกิเลสเกิดก็ให้สับว่ารู้สับว่าเห็นแล้วก็เห็นว่ามีเหตุก็เกิดหมูดเหตุก็ดับเองดูอย่างนี้นะดูทุกวัน เมื่อดูเพียงพอแล้วเนี่ยคราวเนี้ยจิตมันดอตโนมัติแล้วมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วไม่ปรุงอะไรต่อรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆรินะพอรู้แล้วจบลงที่รู้จริงๆเนี่ยจิตไม่ดิ้นรนปรุงแต่งไม่สร้างภพ อ, อะไรขึ้นมานจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะกระทั่งคนซึ่งไม่เคยฝึกเข้าฌานถึงจุดนี้จิตจะเข้าฌานด้วยตัวของเขาเองเมื่อจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันจะเห็นสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเนี่ย สองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นสภาวะเกิดดับสองครั้งเท่านั้นพวกที่ปัญญายังไม่กล้าจะเห็นสามครั้งพอเห็นสภาวะเกิดดับโดยใจไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปรู้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรที่สาคัญนะหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้หลวงพ่อฟัง บอก่าวหนึ่งมีพระป่าไปประชุมกันเยอะเลยครูบาอาจารย์ในหลวงเสด็จมาในหลวงถามถามหมู่พระบอกผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนี่รู้หรือไม่รู้ในหลวงถามบอกผมรู้ผมหมายถึงตัวท่านน่ะนะท่านรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรอันนี้คือรู้หรือคือไม่รู้ถามอย่างนี้หลวงพ่อพุธก็ทูลท่านบอกว่านั่นแหละรู้ รู้ไม่ต้องรู้ว่ารู้อะไรถ้ารู้อะไรคือรู้สมมุติรู้บัญญัติรู้เรื่องราวที่คิดนึกที่ปรุงที่แต่งแต่ถ้ารู้ตัวสภาวะเราจะเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาไม่มีชื่อหรอกสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเพราะฉะนั้นในภาวะนั้นเนยเราจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่มีชื่อเพราะไม่มีสมมุติบัญญัติรู้แล้วสักว่ารู้อย่างแท้จริง เห็นเลยนี่มีแต่กองทุกข์เกิดขึ้นแล้วกองทุกข์ดับไปเห็นแต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปจิตมีแต่ความสงบมีแต่ขันติเป็นกลางต่อสภาวะที่เกิดที่ดับนั้นเสร็จแล้วจิตจะทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้ปล่อยวางสภาวะที่ยึดถืออยู่ทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตุรู้แต่ยังทวนเข้ามาไม่ถึงาธาตุรู้ตรงนี้เป็นครึ่งๆกลางๆภูตนะุชนก็ไม่ใช่พระอริยะก็ไม่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นโคตรภู ครอบโคตรก็ไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ปลายะเมื่อทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แล้วนี่อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคจะแวกจะทำลายอาสวะกิเลสประหารสังโยชน์ที่ห่อพุ้มจิตใจอยู่มันจะขาดออกนะธาตุทำธาตุธรรมธาตุแท้ๆนี่นิพพานก็ปรากฏขึ้นมาตรงที่นิพพานปรากฏนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างไม่มากกว่านั้นหรอก พวที่มีปัญญา ก, กล้าจะเห็นนิพพานสามขณะพวกไม่กล้าจะเห็นสองขณะก็อินทรีย์กล้านะเห็นสามขณะเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะถอยออกมาสู่โลกปกตินี้แล้วก็พรวนกระแสกลับเข้าไปพิจารณาธรรมอีกนะรู้ว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่อนะไรเงี้ยมันจะรู้เองมันจะทบทวนดูตัวเองาการปฏิบัติที่เหลือก็ฝึกอย่างเดียวกันนะฝึกอย่างเดิมรู้กายรู้ใจลูกนะเดียว อย่าคิดมากนะคิดมากยากนานรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะถึงจุดที่เขาหยิ่มเขาพอเขาตัดสินความรู้ของเขาเองไม่ได้ยากนะไม่เหลือวิสัยที่คารวาสทําได้นะเพราะธรรมะไม่มีคารวาสไม่มีปลาหรอกคารวาสกับปลาเป็นแค่คาสมมุติเท่านั้นเองนะในเนื้อความเป็นจริงก็เหมือนๆกันคือมีกายมีใจเหมือนๆกันนะให้รู้ลรงรู้ลงอย่างนี้เรื่อยเพราะงั้นวันนี้มาฟังภาคทฤษฎีเยอะหน่อยนะ ใน ว, วันต่อไปก็ตรวจการบ้านมากหน่อยวันนี้ปรักลับไปทําการบ้านที่หิงห้อยนะอย่าไปกินเหล้าเนะ <c oughs> เสียชื่อนักปฏิบัติภาวนาคอยรู้กายคอยรู้ใจเช่นอยู่นั่งคนเดียวนานนานเบือ่อเบือ่อรู้ว่าเบื่อตอนบ่ายๆชักงม่งโงขี้เกียจขึ้นมารู้ว่าขี้เกียจนะอยากจะไปคุยกับเพื่อนรู้ว่าอยากไปคุยแล้วแหมเมาส์ก็แล้วมัน รู้ว่ามันเนี่ยให้รู้ความจริงของตัวเองรู้ซื่อๆไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิน้นะจิตที่เบื่อเกิดแล้วก็ดับจิตที่อยากเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับถึงเวลากินข้าวหิวข้าวแล้วคิดถึงอาหารแหมมันอยากกินรู้ว่าอยากเห็นอาหารแล้วอู้ไม่น่ากินเลยชักไม่พอใจคนจัดรายการครูเมธจัดยังไงอาหารไม่น่ากินอย่างเงี้ย ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะชิมเข้าไปเอออร่อยแฮชักดีใจแล้วรู้ว่าดีใจนี่ฝึกอย่างนี้นะอากาศหนาวหนาวนต้องอาบน้ำํำก็มีเครื่องน้ําทําน้ําอุ่นเลยไหมไม่มีโอ้มันยอดเยี่ยมอย่างนี้สิอุดมกตนะิตามองเห็นตุ่มน้ําหรือเห็นฝักบัวรู้สึกยังไงถ้าอากาศหนาวหนาสยองสยองรู้ว่าสยองนะแข็งใจเอาหัวมุดเข้าไปก่อนนะ ตัวยังกลัวนะหัวปลุกไม่ก่อนพอตัวเปียกแล้วรู้สึกไหมความกลัวค่อยๆลดลงถูสบู่เสร็จอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวตัวอุ่นๆมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใช่ไหมอยากสยองเปลี่ยนมาเป็นสุยแล้วดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูทั้งวันนะฝึกไปหลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อมาอย่างนี้แหละรับราชการอยู่นะฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนอนอกนั้นฝึกทั้งนั้นเลย ตื่นนอนขึ้นมาไม่ได้มัวแต่ปิดขี้เกียจตื่นนอนขึ้นมานะรู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองพอตื่นปุ๊บนึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์นี่ว่าใจนี้นะมันแห้งแล้งให้ดูเลยนะวันจันทควาอนึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันศุกร์แหมใจนี้มันฉ่ำนะมันสดชื่นใครเป็นบ้างแต่ลภาพเป็นทั้งนั้นแหละไม่เป็นก็แก้โกหกแหละนะเนี่ยเรารู้ไปของเราซื่อๆเห็นไหม นึกได้ว่าวันจันทร์ใจก็แห้งแ้งแล้วนึกได้ว่าวันศุกร์ก็สดชื่นแล้วนึกได้ว่าุเยวันศุกร์ก็จริงนะแต่ใกล้ลองวิ่งเองแล้ววันจันทร์เขาหยุดชดเชยด้วยเริ่มมีความสุขสองเท่านะออกจากบ้านนะเองขึ้นรถเมลนะ์หรือจะขับรถก็ตามแต่รอรถเมล์รถเมล์ไม่มากระวนกระวายใจรู้ว่ากระวนกระวายเห็นรถเมล์แน่นเียดเลยนะกลุ้มใจขึ้นไม่ได้รู้ว่ากลุ้มใจ เบียดขึ้นไปได้ดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยเสร็จแล้วรถติดนานกลัวไปทํางานไม่ทันกระวนกระวายอีกแล้วรู้ว่ากระวนกระวายนี่ฝึกไปอย่างนี้แหละจะอาบน้ําจะกินข้าวจะทําอะไรนะคอยรู้ของเราอย่างเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีศีลห้ามีศีลห้าไว้ศีลห้าจำเป็นมากนะพวกเราอย่าละเลยอย่าดูถูกศีลห้ามีศีลห้าไว้แล้วใช้ชีวิตอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาแล้วก็ดูจิต ด, ดูใจงเพลียงไปอย่างเราขับรถเนี่ย นะวันนี้เจอแต่ไฟแดงห่นหินใช่ไหมรู้สึกวันนี้ซวยจริงๆเลยควาจริงซวยไม่มีในภาษาของศาสน า, าพุทธนะหรือวันนี้เฮงเจอแต่ไฟเขียวเฮงก็ไม่มีในศาสนาพุทธนะทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นหรืออย่างบางทีเราเห็นรถติดเยอะๆใช่ไหมติดไฟแดงยาวโอ้โหไฟแดงนี่ห่างอีกหลายร้อยเมตรเลยพอไฟเขียวขึ้นมายังไม่ดีใจรู้สึกไหมดีใจก็นิดๆหน่อยๆโอ้ไม่ทันหรอกรอบเนี้ย จะไม่ดีใจเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ไปเขียวพอเราจะพ้นใช่ไหมดีใจแต่ว่าพอไปเขียวเราจะพ้นอยู่แล้วเฮ้ยไฟแดงเราติดคันแรกรู้สึกไหมถ้าติดไฟแดงคันแรกเนี่ยเจ็บช้ที่สุดรู้สึกไหมถ้าติดคันที่ยี่สิบไม่เจ็บช้าเท่านะเนี่ยเราดูของเราซื่อไหมซื่อกับตัวเองนะรู้ลงไปอย่างนี้แล้วเราจะรู้เลยว่านางมารร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นหรือไอ้มารร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย อยู่ในนี้เองทำงานทั้งวันเลยหาใครชั่วเท่ามันยากที่สุดเลยนะคราวนี้เราจะไม่เพ่งโทษคนอื่นแล้วเราจะเห็นเลยกิเลสเรานี่ท่วมโลกเลยเราก็ถูกกิเลสซ่อมความคนอื่นก็โดนเหมือนกันน่าสงสารเหมือนเหมือนกันเนี่ยหัดดูไปนะไม่ได้ยากเย็ยนอะไรแต่ว่าต้องใจถึงจริงๆต้องกล้าหาญต้องอดทนอย่างเรียนกับหลวงพ่อนะไม่เก็บค่าเล่าเรียนเรียกร้องอย่างเดียวนะเพราอดทนไว้ทนฟังนะฟังเข้าไป เอาซีดีไปฟังอีกฟังแล้วก็อย่าฟังโง่ๆฟังแล้วก็คอยสังเกตจิตสังเกตใจตนเองไปด้วยสังเกตใจิตใจเราตั้งแต่ตื่นจนหลับฝึกอยู่อย่างนี้แหละยกเว้นบางคนนะบางคนชอบทําสมาธิก็ทําสมาธิไปไม่ห้ามแต่พอออกจากสมาธิเนี่ยให้มีสติรู้ทันจิตตั้งแต่ขณะแรกที่ออกจากสมาธิตัวนี้สาคัญที่สุดนะขณะแรกที่ออกจากสมาธิเป็นนาทีทองของคนทาสมาธิ ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นเป็นที่พักผ่อนไม่เกิดสติปัญญาอะไรแต่ขณะที่จิตถอยออกจากสมาธิเยให้มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยจิตตะกี้มีปีติออกมาแล้วไม่มีจิตตะกี้มีสุขออกมาแล้วไม่มีจิตตะกี้สงบเฉยๆพอออกมาแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะน้าจีทองอยู่ตรงที่ถอยออกจากสมาธินะสําหรับคนที่ทําสมาธิแต่ถ้าออกจากสมาธิแล้วก็ยังทําหน้าอย่างนี้ทั้งวันนะเนี่ยหลวงป้าทําให้ดูนะ เราคิดว่าปฏิบัติอยู่ทั้งวันนี้หลงผิดอยู่ทั้งวันนะโมหะครอบอยู่ทั้งวันเราไปคิดว่าวิปัสนาจริงๆแม้เราจะเจริญสติเราต้องทำซึมไหมเดี๋ยวต้องทําใหม่ทายากนะลืมไปนานนะนะเนี่ยเชิญด่าเลยนะไม่กลัวหรอกด่าสามวันก็ไม่โกรัวนนะมันไม่ใช่ไม่มีกิเลส น, นะมันคือกรรมฐานที่เอาหินทับยา่าไว้เฉยๆกรรมฐานโง่ะนะ งั้นต้องถ้าออกจากสมาธิแล้วอย่าให้ค้างอยู่ออกแล้วออกเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจไปเรื่อยๆนะมีบางท่านนะที่ออกมาแล้วติดๆอยู่วันนี้วันแรกยังเพิ่งรู้จักกันยังไม่ชี้นะเดี๋ยวโกรดเอาไว้วันหลังๆค่อยชี้ให้ดูนะอ่เดี๋ยวหลวงพ่อขอบเร่งด้วยการตรวจกันบารบานะไม่อยู่ไหนเอาส่งไปนู่นก่อนเลยเขาไป การสมาธิการหงพ่อเจ้าค่ะพิยมปฏิบัติก็คื อ, อ, อช่วงที่แล้วมาเผยนานเหมือนกันเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังเห็นถึงความเป็นกลางบ่อยขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็บางทีก็รู้สึกเฉยเฉยเจ้าค่ะแล้วคราวนี้ก็เห็นถึงความว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตัวผู้รู้ก็อยู่ห่างเห็นชัดมากขึ้นเจ้าค่ะดีนะที่ฝึกอยู่ดี หลวงพสังเกตตอนออกไปนอกศาลาดีกว่าตอนนี้ะใช้ได้ตอนนี้กลัวหลวงพ่อก็เกรงไว้นิดนึงตามประเพณีใช่ได้ดีละอักขุนสุเมศก็ตะกี้ฟังเขาเพลินๆดีครับพอใหม่มาชักเริ่มตื่นเต้นครับก็เมื่อคืนจิตมันจ้าๆมันเหมือนกับนอนไม่หลับแต่ก็ไม่เพลียครับถูกต้องลหม จิตมีโมหะค่ะเออจิตมีโมหะรู้สึกตัวด้วยความผ่อนคลายนะของคุณเนี่ยต้องผ่อนคลายไว้ทำไมนะอย่าให้เครียดจิตใจต้องให้มันมีความสุขภาวนาไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์ภาวนาให้มันสบายๆแล้วก็ใจเหลอไปรู้สึกเหลือไปรู้สึกฝีอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วถ้ากลัวหราาือคป่าอาจารย์กลัวรู้ว่ากลัวกลัวหรือะไรนะกลัวกลัวรู้ว่ากลัว ไม่เคยมีผีที่หักคอคนนะไม่มีจริงที่ผีไม่ทาอะไรคนไปได้ดอกมีแต่คนไปแกล้งหลอกผีนะแกล้งหลอกกันเองแล้วจิตโยอมผิดป ก, กติหรือเปล่าคะไม่ผิดปกติเครียดเกินไปเท่านั้นเองพอใจมันเครียดมันก็หนีความจริงของโลกข้างนอกนี้น้อมเข้าไปเคลื่อเลื่อไปหน่อยอย่างอื่นมันก็แทรกแฝงง่าย แปลว่าแทรกแฟงหรือว่าเราปรุงแต่งเจ้าค่ะปรุงแต่งจากจิตเราเองหรอจากจิตเราเองไม่มีจริงไม่มีจริงนะก็ไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีผีของเราเราปรุงเราปรุงเออเราปรุงขึ้นเองเพราะเราเครียดเราเครียดเราก็ต้องการหนีความเครียดนะเราก็หลบหลบไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปอะไรนแล้วปล่อยให้จิตใต้สํานึกมันทํางานแทนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อีกทายังไงเจ้าค่ะ ทำตัวให้ผ่อนคลายร้องเพลงสักเงมีความสุขลืมผีไปซะนะ <c oughs> เคยมีครูบาอาจารย์นะชื่ออาจารย์ทองรัตน์อา <c oughs> จารย์ทองรัตน์จะอยู่ในป่าเปรดมาหลอกเปรดตัวนี้ดูด้วยพุโทโธมันก็ไม่ไปมันก็พุโทโธเป็นนะอีทีบีโสมันก็สวดเป็นนะ <c oughs> ทำยังไงมันก็ไม่ไปท่านเลยใช้ไม้ใส่กระโดดเข้าใส่เปรมัน ไอ้ผีมึงเป็นอนิจจังทุกขังนัสตาเตไปเตะ ม, มาเป็เตต้นไม้ก่อผีเผอไม่มีแล้วอย่าไปกังวลนะผีจะกลองโลกไม่ได้อย่าไปกลัวมันแต่หลวงพ่อตอนเด็กเด็กลัวนะ<笑><笑>อยากรู้ไหมทมไมหายกลัวอับอายขายหน้านี้เรื่องโงโงๆโอีกแล้วจะเล่าให้ฟังมีแต่เรื่องโงโงๆเรื่องชิเทอร์ตอนนั้นอยู่วังน้ํามออ แล้วที่แอที่ไวไปด้วยหรือเปล่าลกลบนะมันมีมีลานหินอยู่อันหนึ่งมันเป็นที่เขาเผาศพแล้วก็ทิ้งกระดูกไปด้วยเรากลางคืนเราก็ไปเดินจงกลมไปพานามีผุ้ติดอยู่อันร้านไม่ได้ให้อยู่นะเราไปอยู่ห้องใต้พานาได้ยินเสียงคนเดินแกลกแกลกแกลแกลโห้ยใจน่สันเลยนะอากาศก็หนาวนะาจะเหงื่อแตกเลยนะกลัวนะผีผีมาลนะผีมา กลัวมากเสร็จแล้วก็โอผีมันกลับเข้าไปในป่าช้าออมันไปแล้วก็ยังชั่วหน่อยเดี๋ยวมันเดินมาอีกแล้วหันไปดูนะ้าไม่ใช่ผีหรอกหมานะ่ะหมาก็าไปคาบกระดูกผีออกมาโอ้ยนี่น่าชาเลยนะไอหมาเอ้เรากลัวแทบตายเลยมันกินผีซะอีกแล้วนะตั้งแต่นั้นนะไม่เอาละตรงไหนเขาว่าผีดูเขาไปดูมันจับผีได้เพียบเลย ที่หินบัแป้งมีเปรตไม่รู้พี่ไหวแจําได้มั่อกลางคืนชอบร้องกรี๊ดบางทีก็ร้องแฮ่เฮ่เ่บางแล้วสิหยองนะพอมันร้องเราก็ไปดูมันต้นยางต้นต้นไม้ใหญ่ๆนะนก ม, มันขึ้นไปร้องอยู่ข้างบนแล้วมีผีอีกตัวชอบกว้างหลังคาอยู่ตรงนี้หินมักเป้งอะ่ะที่กุติที่อยู่บนก้อนกินเลยกลางคืนแล้วใครไปอยู่นะผีชอบกว้างหลังคาที่แทะกระลอกนะ จะรอกมันกว้างเลยเราไปเจอนะเนี่ยเจอผีจิ้งจกผีตุกแกผีนกผีกระรอกนะผีจริงๆไม่เห็นอนะ่ะอืมเวลาเราเห็นผีจริงๆเราจะไม่กลัวเพราะเราจะอยู่ในสมาธิเหมือนถ้าเราไม่ได้อยู่สมาธิแล้วเราเห็นโน่นเห็นนี่อย่ไปเชื่อมันจิตเราปลุงขึ้นมาได้เองอ่ะเปอร์สามแต่ถึงถึงนะถ้ามันมาอีกบอกไปใชแก <c oughs> ฉันไม่เชื่อแกหรอก ถ้าแกมาฉันจะแลบลิ้นหลอกแกเอ่าต้องใจถึงๆอย่างนี้นะมันกลัวค่ะหลวงพ่อก็ภาวนามาช่วงหลังก็น้าหนักจิต <g ül üyor> มันลดลงนะคะ่ะแล้วก็มันจะมีอาการเหมือนซึมๆง่วงๆอะไรต่อเนี่ย <g ül üyor> มันมันน้อมใจให้ว่างมากเกินไปไปแต่งใจให้เบาเกินไปเพราะว่าแต่เดิมจิตหนักเกินไป <g ül üyor> ก็เลยไปแต่งให้เบาก็ตแต่งให้เบาก็เลยแต่งอย่างนี้ทําหน้าให้ดู เดี a, be nice, be nice. ่ยเห็นไมเหมือนมัน yeah. ก okay. ็ขอกลุงแต่ง yeah. ข้างน่างแหละอ้าวไปแต่งมันเลยก็ไม่มีหรอกอ้าวไหวๆก็รู้สึกว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็มาหลวงพ่อเพราะว่าที่คิดที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนลดลดม่ลงนิดนึงเสียงเราดังเพอาะรู้สึกว่ามันรู้โน้รู้นี่เต็มไปหมดแล้วก็เดี๋ยวมันเท่งเดี๋ยวมันวิ่งจะโน่นไปนี่แล้ว อ็<น>ะคะ่ะจิตสงสาดูแค่นั้นพอละไม่ต้องอยากให้หายนี่ส่งไปยังไม่ช้าัอ้าววาไปเมื่อเช้ า, า, ามาีโทรศัพท์ ต, ตอนนี้ก็มีอยู่นิดหน่อยอืดูไปโทรศัของเราต้องยุ่งกับคนอื่นส่งแล้วอ้าวนี่ส่งแล้วนี่อ้ว า, าวสุก็วันนี้ตื่นเต้นมากกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานตื่นเต้นมากอืแล้วก็เมื่อวานมันก็เลยสูกแล้ อ, อึดอัดแล้วก็ตเจ้าเศร้าอ่ะค่ะ นนวันนี้ใจเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นแล้วนะไปรู้ไปปกติมาอยู่วัดนะ่ะวันพุนพธนั่นแหละพุธเพิ่งเริ่มหัสจดีพอเพิ่งเริ่มหัดเจรียวเริ่มไม่ดีแล้วเตรียมกลับบ้านะเป็นธรรมดานะ ด, ดูไปก็รู้สึกว่าใจมันยังชั้นหนึ่งเบอร์ห้าใจลอยไปแล้วนะรู้สึกว่ามันยังมีน้ำหนักเกี่ยวคอืมถูกต้องชี้ภาวนาใช้ได้อ้าวคนนี้จิตเป็นยังไง ก็มันมันตื่นเต้นอยู่ข้างในเึืง่อยหน่อยมันตื่นเต้นไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ไปดกดมันกลัวจะตื่นเต้นแล้วกดเอาทีมไฟฟ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตอนนี้รู้สึกสับสนนะคะ เคยนั่งสมาธิมาใช่หน้าตาก็บอกแต่ว่าติดไม่แรงติดไม่มากไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะสี่วันเนี้ยรู้เรื่องเพราะว่าจิตใกล้จะตื่นแล้วอ้าวตรงมาเสลอแล้วรู้สึกไหมกานส่งไม่ขณะที่ส่งไม่เราลืมตัวเราเองคือเราผิดชอบคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการทำอะไรอย่างหนึ่งที่ยากๆทาแล้วเราจะได้อะไรที่ดีๆมา เราชอบไคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้หลอกลวงเราการปฏิบัติไม่ใช่การไปทําอะไรอย่างหนึ่งที่ยากๆนะการปฏิบัติก็คือรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นแล้วเราอย่าลืมกายอย่าลืมใจนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติในขณะเดียวกันก็อย่าเพ่งกายเพ่งใจเอาคุณมันติดเพ่งเพ่งให้รู้ว่าเพ่งะือเผลอไปให้รู้เนี่เมื่อกี้จิตนะตะเกียแวดน่ะเผลอนึกออกไหมหรือรู้ไปอย่างนี้เนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม นี่รู้ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ้าเบอร์สองเหมือนยังหาติดไม่เจอเลยจ้ะอยหาจิดหลวงพ่อหาตั้งแต่หัวถึงเท้ายังไม่เจอเลยไม่ต้องหารู้จักความรู้สึกไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักเออรู้จักอิจฉาไหมรู้จักค่ะอิจฉาเป็นไหมเป็นค่ะเออเก่งเพราะหน้าตาบอกว่าอิจฉาเป็นอิจฉารู้ว่าอิจฉาโกรธรู้ว่าโกรธดีใจรู้ว่าดีใจนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติ ความรู้สึกทุกชนิดพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะกระทั่งเด็กเล็กๆมันก็รู้จักว่าดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงโกรธเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงกังวลเป็นยังไงอิจฉาเป็นไงมีความสุขความทุกข์มันรู้จักทุกอย่างหน้าที่ของเราก็คือขณะนี้ยความรู้สึกอะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ความรู้สึกของตัวเองที่กําลังปรากฏนะอย่างขณะนี้ไม่รู้ความรู้สึกแล้วรู้สึกไหมพอมาตั้งใจฟังหลวงพ่อเห็นไ้มจิตส่งออกนอกส่งมาฟังหลวงพ่อก็เลยลืมความรู้สึกของตัวเอง เบอร์นหนึ่งใจลอยแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านเลยนะมันจะมีความตกเกินไปออาไปส่งต่อสังเกตไหมตอนส่งใหม่เนี่ยลืมตัวเองแล้วขณะเนี้ยบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไปกดมันไปกดให้นิ่งอย่าไปกดมันมาฟังหลวงพ่อเนี่ยเริ่มเข้าใจการปฏิบัติมากขึ้นค่ะแล้วก็จะพยายามติดสมาธิอยู่นิดหนึ่งนะ ค่อยๆคลายค่อ ย, ย, ย, ย, ยรู้ไปแล้วหักเจริญสติในชีวิตประจำวันพวกเรานะเราเผิดถูกไอ้ภาพใน อ, อะไรนิยายจับจักรงวงตลอดนะช่องเจ็วันอาทิตย์ตอนเช้าอะไรเงี้ยนะเห็นเก่งไหมเวลานั่งภาวนาต้องนั่งอีท่าเนี่ยแล้วก็หอบได้อะไรเราก็ไปติดในภาพแบบนี้มาเราคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องหลับหูหลับตาต้องนิ่งๆแค่จะไม่กระดุกกระดิกไม่หายใจนะถ้าใครนั่งจนกระทั่งนกกระจอกมาทำรังในหนวดได้นี่เก่งเนะ เราไปวาดภาพการปฏิบัติไม่เกินธรรมดาการปฏิบัติทำจริงๆง่ายกว่านั้นนะยืนอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวพวกเราลืมสติปัฏฐานไปสติปัฏฐานนะเป็นธรรมะชิ้นเอกเลยนะถ้าไม่มีสติปัฏฐานก็คือไม่มีศาสนาพุทธใจลอยไปแล้วทราบไหมหนีพิชิตใจหนีพิชิตรู้สึกไหมเรากดมันไว้แล้วเราบังคับนิ่ง รู้สึกไหม ใ, หใจสงสัยหน่อยหน่อยไม่สงสัยแรงสงสัยนิดหน่อยเนะี่ยให้รู้ลงไปอย่างนี้นะรู้ลงไปเป็นปัจจุบันดีละขณะดีละขณะลืมกายลืมใจไปอีกแล้วรู้สึกไหมอ่ะพอละเดี๋ยวเครียดเกือ <c oughs> บใช้ได้ละนะเดี๋ยวอีกสองสามวันก็ภาวนาเป็นและ้ะก็ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแ น, น่นๆนะใจลอยไปแล้วรู้จักไหมรู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมถ้ารู้จักใจลอยนะ ดูกรรมฐานใจลอยแค่ใจลอยไปแล้วก็รู้ว่าใจลอยไปแล้วใจลอยเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอไปแล้วรู้สึกฝึกเท่านี้พอมันรู้มากคผลได้ยืน ย, นะยันนะยืนยันมีตัวอย่างมาแล้ววันนี้ตัวอย่างจะหนี้กับบ้านลนะที่เผลอแล้วรู้สึกเนี่ยอครับตอนนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นน่ะคะ่ะแล้วรู้สึกแน่นแน่นเกร็งะแล้วก็ม่วงด้วยเมื่อคืนเออสับสนใช่ได้ เห็นเลยรู้สึกดีใจใจผ่อนคลายแล้วรู้สึกไหมได้พูดเสร็จแล้วหมดทาร่าแลเรื่อนใจมันก็จะผ่อนคลายเราก็รู้ว่าผ่อนคลายนะของคุณนั่นอ่ะเบอร์สามอย่าไปกดไว้นะตั้งใจแรงไปหัดเผลอซะบ้างเผลอเผอซะบ้างนะของคุณนี้ไม่มีปัญหาแล้วสงสารคุณภาวนาใช้ได้แล้วดีแล้วล่ะก็เพิ่งมาใหม่ฮะยังไม่เครู้อะไรดังนั ไม่ต้องรู้อะไรก็ได้รู้แค่ว่าความรู้สึกอะไรกําลังเกิดอยู่คอยรู้เรื่อยๆเช่นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นของคุณใช้ได้นะจิตของคุณเกือบจะตื่นแล้วใช้ได้แล้ววันสองวันนี้ก็เข้าใจแล้วเรียนได้เร็วนะครับไม่ได้สร้างทําไมผมชอบอยู่เฉยๆครับเราติดสมาธิเราจะชอบเฉยๆติดแรงไหมครับไม่ได้นี่แหละครับคุณนันติดแรงกว่าคุณคแถวที่สี่แรงกว่า เอาคนี้ก็ติดสมาธิเยอะไปนิดหนึ่งนะลายออกซะเบอรเก้าใช้ได้นะะคเออพอไม่เคยนั่งสมาธิเออรู้สึกไม่ใจเราเบาเบาๆบาเบาแล้วก็เฉยเฉยเบาเบาเราก็รู้ไปว่าเบานะถ้ามันหนักขึ้นมารู้ว่าหนักอยากเรียนิดแล้วใจอยากพูดเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมเวลาอยากพูดมันจะมีแรงดันขึ้นในหนอาอกเนี่ยอยากเรียนถามว่าเวลาเฉยเฉยนี่แปลว่าใช้ได้อย่างคะหรือยังไงไม่จําเป็น เฉยๆมีทั้งใช้ได้แล้วก็เฉยๆใช้ไม่ได้เฉยๆใช้ได้ก็คือเฉยๆสักว่ารู้สักว่าเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเป็นกลางเฉยใช้ไม่ได้เฉยซื่อบื้อเฉยซื่อบื้อทำอย่างเนี้ยเฉยอย่างเงี้ยอีวันก็เฉยอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ของคุณไม่ได้เฉยซื่อบื้อเพราะคุณไม่เคยฝึกสมาธิงั้นฝึกง่ายนะ คนที่จะเรียนวิปัสสนาเนี่ยถ้าไม่ติดสมถะนะฝึกง่ายแต่คนที่ที่ติดสมถะแล้วแก้ได้นะทำวิปัสสนานะพวกนี้ไปเร็วจะดีกว่าพวกที่ไม่เคยฝึกเลยพวกไม่มีสมาธิเลยนะส่วนมากที่เกียดหัดดูได้อย่างรวดเร็วนะแต่จะขี้เกียจดูแป๊บแป๊บเลิกแล้วเบอร์ห้าหลงไปแล้วนนเบอร์ห้าเบอร์ที่สิบหกลงไปคิดน ะ, นะเบอร์สิบเจ็ด อย่าไปกดไว้นะเมื่อสิบเจ็รู้สึกไหมเรากำลังกดไว้อ่าว่าไง่ายเบอร์สิตื่นเต้นเห็นค่ะอก็ตัวสั่งเออดีแล้วไม่ต้องหายน ะ, ะดูซิเธอจะตื่นเต้นได้สักแค่ไหนรู้รู้สึกไหมเขาตื่นเต้นของเขาเองค่ะเออมันตื่นเต้นได้เองดูไปเร<อ><ๆ>ื่อยๆใกล้ตัวเนี่ยตื่นเห้นเสือละเสือละรู้สึกไหม คนนี้ช่างพูดนะทีนี้พอเริ่มพูดแล้วชักมันรู้สึกไหมเมื่อกี้แว บ, บนั้ น, นจิตมันเกิดชักจะมันนะในการพูดนะให้เรารู้ทันจิตของเราเราก็หัดดูเอานะต่อไปพอเราดูจิตของเราชำนิชำนาญเราก็รู้จิตคนอื่นนะอย่างถ้าใครจะไปทําธุรกิจเนี่ยโอ้เจรจาธุรกิจง่ายคู่ต่อสู้มาไม้ไหนรู้หมดอลยเอาป้าไปเบอร์สิบเอ็ดอยู่ไหนมือนี่ค่ะ ค่ะตื่นเต้นค่ะพวกที่เหลือท่องไว้นะพอหลวงพ่อถามตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นครับนะก็ตื่นเต้นจริง ๆ, ๆเออตื่นเต้นจริงอย่าขี้เกยียจนะของคุณเนี่ยพอจะฝึกได้ง่ายไม่ยากแล้วแบบคนนี้ก็ตื่นเต้นทําให้แก้แก้ตื่นเต้นเอาให้คนนี้ก่อนแต่วันนี้ก่อนยังไม่ทันตื่นเต้นเอาซะก่อนหนูว่าหนูตื่นเต้นกอ่ ไม่ไมค่อยเข้าใจว่าจ ะ, จะหาดูไม่ไม่หามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกนั้น <S <S <ม>เช่นโกรธขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ว่าโกรธสงสัยแล้วก็ค่อยรู้ว่าสงสัยดีใจแล้วค่อยรู้ว่าดีใจอย่างตอนนี้ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยการตามดูจิตการดูจิตนี่เป็นการตามดู หมายถึงว่าให้มันมีความรู้สึกให้มีกิริยาอาการต่างๆเกิดขึ้นสะ ก, ก่อนแล้วเราก็าค่อยรู้เอาการดูจิตนเราดูได้สองอย่างอันนึงดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความรู้สึกที่กําลังมีอยู่เราดูความรู้สึกนั้นเช่นโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภดีใจเสียใจรู้ว่าดีใจเสียใจอีกอันนึงรู้กิริยาอาการหรือพฤติกรรมของจิตเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็หลงไปทางตาวิ่งไปดูเดี๋ยวหลงไปทางหูวิ่งไปฟังเนะมื่อกี้หลงทางใจหนีไปคิดแวบ เนี่ยให้เรารู้ทันรู้สึกแม้ตรงที่รู้ว่าหลงทางใจแต่แค่ใจก็จะตื่นมู้ขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นได้แว บ, บหนึ่งแต่ว่ามันสั้นจนกระทั่งเรายัางจับสภาวะไม่ออกก็ไม่ต้องไปค้นหาพวกเราที่จะฝึกดูจิตอย่าหาดูอย่าหาจิตนะอย่าหาจิตนะไม่ต้องค้นหาว่าจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่ต้องค้นหาหลวงพ่อถามมาแล้วเสียเวลาเปล่า ๆ, ๆให้เรารู้สองนั่นอะไรก็ได้อันนึงรู้ความรู้สึก ปวดรู้ว่าโปวดโบภรู้ว่าโรบดีใจเสียใจอิจฉากลัวกังวลตื่นเต้นหรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอีกอันหนึ่งรู้กิริยาการหรือพฤติกรรมเช่นจิตวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปคิดเนี่ย mm. ของคุณที่มีเสื้อบางจาบเนี่ยจิตวิ่งไปคิด เ, เราก็แค่รู้พฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมตัวนี้กดแล้วเราไปกดจิตเราก็รู้ว่ากดัม่เวลาเราดูจิตเราดูสองงานเท่านั้ น, นดูความรู้สึก แกดูกิริยาอาการของเขาถ้าดูได้ก็ใช้ได้แล้วเราก็จะเห็นเลยความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวกิริย า, าการทั้งหลายเราก็บังคับมันไม่ได้จะเห็นใจรักวันแรกๆคนที่ถามมันแรกนี่จะเสียบๆนิดนึงนะเพราะยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกที่ถามมันหลังๆจะได้เปียบย้เว้นมันสุดท้ายนะมันสุดท้ายจะสมาธิแตกเตรียมกับบ้านแนละ้ว เชญเชิญไม่แน่ใจว่าตัวเองรู้สึกตัวถูกหรือเปล่าค่ะยังบังคับอยู่รู้สึกไหมกดใจหลวงหวงนิ่งนิ่งไว้นิดหนึ่งเวลาที่เราใจลอยอไปคิดแล้ะรู้สึกไหมใจแอบไปคิดตอนที่ไปคิดเนี่ยลืมกายลืมใจคิดคิดจะตามหลวงพ่อใค่งใช่เอ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนีไปคิดเฉยๆละกดเอาไว้ด้วยรู้สึกไห ม, ก, ไหมกดอยู่ก็รู้ว่ากดเลยการที่เราเอาใจไว้ที่กลางกายนี่ถูกไหมคะ ถูกแบบสมสถะสมสถะนะให้ใจอยู่ในที่เดียวอย่างต่อเนื่องก็สงบวิปัสสนาไม่ต้องการความสงบนะักไม่ต้องการอยู่ที่เดียววิปัสสนาต้องการให้เห็นใจรักหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลบอกหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกไงวนะ่าทีแรกเราถามอย่างนี้เรากะว่าท่านจะบอกว่าจิตอยู่ที่หน้าอกหรืออยู่ที่ท้องหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้ง จิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดแล้วก็ดับไปจิตไม่ได้ตั้งอยู่นานๆแต่เรายังไม่มีสติปัญญาพอเราจะเห็นว่าเหมือนจิตมีอยู่ดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาได้แต่ถ้าสติเราว่างไวยเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันไปตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตมีจํานวนนับไม่ถ้วนแต่ว่าเกิดทีละดวงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหม จิตหลีกคิดอ่าจิตไปคิดให้รู้ว่าจิตหลคิดการที่เรารู้ทันว่าจิตไปคิดนี่แหละเรียกว่าดูจิตะเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหมคนนี้ช่างคิดนะดูจิตคิดไปจิตคิดแล้วก็รู้สึกเอาเอาเบอร์สิบห้าค่ะไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็อตอนฟังเทศรู้สึกเครียดแล้วที่คิดตามแล้วก็พอพอ มีคน อ, อาให้การบ้านก็รู้สึกโล่งขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกอ่ตื่นเต้นคุณจะดูเป็นล้วการที่เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติใส่เกณฑ์ไหจิตเราไม่คงที่จิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกไหมการที่เราเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละเห็นใจรักเราภาวนากันแทบเป็นแับตายก็เพื่อจะให้เห็นกายเห็นใจนี้มันแส ด, แดงใจรัก อย่างเนี้ยจิตแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวราก็รู้ทันกอใช่ไม่ห้ามนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องไม่คิดแต่เขาคิดแล้วเรารู้ไวๆอย่าเผลอไปนานถ้าเผลอไปนานนะจิตหนีพิคิดเนี่ยแล้วเราเผลอไปนะอิเลสมันจะเข้ามาความทุกข์มันจะเข้ามาเบอร์ห้าไปกดมันละกดแรงไปปล่อยซะเบอร์หนะ้าเ้าเบอร์สิบหกเบอร์สิบห้าใช้ได้นะ เรียนไปแบบโง่โง่เชื่อหลวงพ่อยิ่งโง่ยิ่งดนะีเราอย่าเรียนแบบวิศวกรวิเคราะห์อย่างนี้ยนะไม่ต้องแต่วัดหลวงพ่อวิศวะเยอะนะไม่ฉีสองคนก็วิศวะสองคนพ้าก็วิศวะอีกสามอะไรเงี้ยวัดนี้นะมีแต่วิศวะกับหมอเยอะนะเอาหินมาสักสามสี่ก้อนแล้วกว้างแบบไม่ถูกหัวหมอก็หัววิศว ะ, นะ <laughs> ะพรนะศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆมีเหตุมีผลมากเลย อ้าเบอร์สิบหกครับมีโมหะบ้างแต่ก็ตามดูถูกต้องแล้วไปข่มมันไว้ให้นิ่งนะอย่าไปกดมันแต่ก็เผลอบ่อยใจลอยบ่อยใจลอยบ่อยดีอย่าใจลอยนานครับคนคบที่ไม่เคยภาวนาใจลอยนานนะวันละครั้งแบบไม่ไม่มากไม่บ่อยวันละครั้งเดียวแต่นานตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ถ้าภาวนาเป็นแล้วจะใจลอยบ่อยแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยเี่ยของคุณใช้ได้ละวดี มันบังคับตัวงแรงสินิดหนึ่งเพราะว่าตื่นเต้นกลัวใหม่การพนักงานค่ะโยมก็ไม่เคยเข้าปฏิบัติธรรมนะคะท่นยืนครั้งแรกพอถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเวลานั่งฟังเทศจากสองพ่อนะคะรู้สึกว่าใจมันก็จะปุ๊บไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนาหัดเพื่อจะให้เห็นอย่างนั้นเลยเห็นรัฐบาลหนึ่งเราจะรู้เลยว่าในกายในใจเนี้ยไม่มีตัวเราพ่แทจริงกายกระบใจนะเป็นธาต เป็นวัตถุธาตุบ้างเป็นนามธาตุบ้างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าวันหนึ่งก็จะหมดความยึดถือในกายในใจนี้วันใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราก็เป็นพระโสดาวันใดไม่ยึดกา ย, เ ป, าา ย, ยาเป็นพระราชาไม่ยึดจิตที่เป็นพระอรหันต์เราก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจอีกต่อไปอย่าตอนเนี้ยทําอะไรอยู่รู้สึกไหมไปกดตัวเองให้นิ่งแล้วอย่าไปกดสิ ปล่อยมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้มันทำงานให้มันเปลี่ยนแปลงอ้าวต่อไปค่ะยังกังวลใจอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจกังวลรู้ว่ากังวล น, นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติเราต้องนึกนะการปฏิบัติทำจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองนะต้องนิยามให้ถูกนะการปฏิบัติทำไม่ใช่การดัดแปลงตัวเองนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีต้องได้ดีต้องสุขต้องสงบต้องดี การปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองรู้อย่างที่เขาเป็นจริงเราจะเห็นเลยร่างกายนี้นะมีความทุกข์บีบพั้นตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนี่เรียกว่ารู้ความจริงจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานทั้งวันทั้งคืนรถแต่บังคับไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นความจริงเพราะเราจะเรียนความจริงของกายเรียนความจริงของใจก็คือการเรียนความจริงในชีวิตเรานเองธรรมะใช่ไหมเรียนปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตตัวเราเอง ถ้าเรารู้จักความจริงของชีวิตแล้วดำรงชีวิตสอดคล้องอยู่กับความจริงความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้จักความจริงไม่ยอมรับความจริงเราพยายามจะดำรงชีวิตที่ฝืนความจริงความทุกข์ถึงได้เกิดเช่นแก่ความแก่เป็นธรรมดาเราไม่อยากแก่นี่เราทุกข์นะตีนกาขึ้นเราก็ทุกข์ตีนวัวตีนไก่ขึ้นยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกไหมเนี่ยถ้าเรายังไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าเราจะต้องเจ็บเมือมันเจ็บป่วยขึ้นมามันก็มีความทุกข์มาก ไม่ยอมรับว่าจิตไม่เที่ยงพยายามทําจิตให้นิ่งๆจักกะให้เที่ยงพอมันไม่เที่ยงขึ้นมาก็เสียใจว่าวันนี้เราภาวนาไม่ดีไม่ว่าจะภาวนาดีหรือไม่ดีมันก็มีแต่จิตฟุ้งร่างแล้วก็จิตสงบก็สลับกันไปไม่มีหลอกสงบถาวรอลคำว่าสาวรไม่มีในโลกแล้วเราไม่ได้ฝึกเอาความดีถาวรสุขถาวบลสงบถาวรอลเราฝึกให้เห็นความจริงของชีวิตว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ความทุกข์บิบขันนะไม่ใช่ของดีของวิเศษ กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานเราก็ต้องคืนโลกเข้าไปจิตใจก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้จริงหรอกนี่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้ตัวเองนะให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้ดีให้วิเศษให้สุขสาวนไม่ใช่ถ้าตั้งเป้าผิดก็ปฏิบัติผิด ถ้าฟังตั้งเป้าถูกนะก็มีโอกาสปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นจุดแรกเลยเราต้องรู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติให้ได้ซะก่อนเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะอยู่เหนือความจริงอ่าเบอร์สิบเก้าคือตอนนี้กําลังสับสนนะคว่าตัวว่าโยมเองเนี่ยเหมือนกับไปกําหนดหรือบังคับตัวเองสุระยเวลาเผลอเนี่ยนะคะก็จะรีบแบบ คือมันมันสั่งว่าเอ้ยเราต้องกลับมาดูะนะว่าตัวเรากําลังใทำอ<ห><ล>ะไรอยู่อันแรกเลยเผลอรู้ว่าเผลออันที่สองพอเผลอแล้วพยายามบังคับตัวเองรู้ว่ากําลังบังคับตัวเอง่งงองใช้ได้อันนั้นถูกใช่ไหมคะ่ะ ถ, ถูกที่รู้ว่าเราบังคับอยู่นะไม่ใช่ถูกที่บังคับนะค่ะค่ะอย่างจิตมีกิเลสก็ได้นะไม่ใช่ว่าจิตต้องไม่มีกิเลสจิตเผลอไปเนี่ยยจะไปบังคับไม่ให้เผลอไม่ได้เผลอแล้วรู้ว่าเผลอเผลอแล้วพยายามไปดึงมารู้ว่าพยายามดึงมา อย่นี้รู้อย่างนี้ใช้ได้าการปฏิบัติไม่ใช่네ว่าจะ sí. ต้องเกลียดกิเลสนะอย่างจิตของเราเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว uh ่าเป็นอกุศลดีจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีเลิศจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลไม่ดีจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่ากุศลนี่เลวเลยเพราะงั้นจิตของเรามีกิเลสเรารู้ว่ามีกิเลสใช้ได้ สอบผ่านนะได้คะแนนเป็นอันดับสองได้เกรดดนะีแต่ถ้าจิตมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้นี่สอบตกเลยนะได้ดีได้เอฟไะไรไปแล้วถ้าจิตเป็นกุศลอย่างจิตใจของเราสงบสุขอยู่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะมีความสุขมีความสงบมีความสบายฟังธรรมะอย่างอบอุ่นใจก็ยังไม่รู้ว่ามีความสุขอยู่ไม่รู้ว่าฟังธรรมะแล้วเบิกบานใจอยู่ อยนี้เรียกว่าดีแล้วยังไม่รู้ว่าดีได้เกรดสรี่เราคุณพระเจ้าจัดนะไม่ใช่หลวงพ่อจัดเอาเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบนี้เคยมาใช่ไหมไม่เค ย, เ ค, ยครับไม่เลยครับบุกมาครั้งแรกแล้วพึ้นได้เรียนทางทางบ้านนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับอดทนนิดนึงนะครับอดทนนิดนึงหลวงพ่อไม่เรียกร้องอะไรเลยนะเรียนฟรีนะหนังสือแจกซีดีแจกฟรีทุกอย่าง อดทนอย่างเดียวนะเรียกร้องความอดทนแล้วก็เรียกร้องความใจถึงกล้านิดๆ น, นะกล้าหน่อยทําตัวให้เป็นชาด้วยชาที่ว่างเปล่าไปแล้วเพียงสามสี่วันนี้เราจะบรรจุอะไรใหม่ๆกลับไปใช้ในชีวิตของเราได้เพียบเลยชีวิตเราจะเปลี่ยนให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยนะฝนนิดหนึง่งครับสิ่งที่ยังไม่แน่ใจคืออย่างเช่นที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างกรณีให้รู้ทุกอย่างแสดงว่าวันหนึ่งเราจะรู้ตลอดมันเหมือนกับไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ใช่ รู้เท่าที่รู้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้เรารู้ตลอดไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้นะเวลาที่รู้ไม่ได้มีเวลาอะไรบ้างเวลาที่รู้ไม่ได้คือเวลาที่เผลอไปเผลอไปเวลาที่นอนหลับอย่างเวลาเราทำงานเราต้องคิดใช่ไหมใจเราต้องไปเผลออยู่ที่งานไปจดจ่ออยู่ที่งานในขณะนั้นปฏิบัติไม่ได้ในขณะที่นอนหลับปฏิบัติไม่ได้ แต่เวลาที่เหลือเนี่ยให้ค่อยรู้เท่าที่รู้ได้ด้วยนะไม่ใช่รู้ตลอดนะรู้ตลอดไม่ได้แต่ว่าทีแรกนานๆรู้ทีหนึ่งต้องโปลดแรงๆถึงจะรู้ต่อมาสติเร็วขึ้นขัดใจนิดหน่อยก็เห็นละมันจะค่อยเร็วขึ้นดังั้นเราไม่เรียกร้องนะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งต้องรู้เยอะฝึกใหม่ๆยมไปฝึกนะห้านาทีลองจับเวลาห้านาทีว่าห้านาทีนี้ใจลอยกี่ครั้งเนี่ยอย่างเนี้ยใจลอยหนึ่งครั้งละตรงที่หนีไปคิด่ะ ลืมกายลืมใจนะเรียกว่าใจลอยนะกลับไปไอหิงห้อยนะเราไปลองนะห้านาทีห้ามเกินนะถ้าเกินเราเครียดห้านาทีดูซีใจลอยอีกครั้งแล้ววันต่อไปจะเพิ่มขึ้นมาห้านาทีเนี่ยเผลอไปเท่าไหร่โลภเท่าไหร่โกรธเท่าไหร่ถ้าฝึกอย่างนี้นะเราจะทายอนาคตได้ว่าตายแล้วเราจะไปเกิดอะไรถ้าทั้งวันเผลอตลอดเลยจับห้านาทีโอ้เผลอไปห้าร้อยครั้งแล้วนี่เผลอ บ, บ่อย เผลมากๆก็เป็นเดรัจฉานถ้าโกรธตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธจิตเข้าอยู่แต่ความโกรธอันนี้เป็นสัตว์นรกตายไปแล้วจะตกนรกเพราะว่าตกตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าใจวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ความโลภทั้งวันเลยเป็นเปรตเป็นอสุรกายพวกเจ้าทิศที่เจ้าความเห็นเนะี่ยจะเป็นอสุรกายพวกที่โลภจะเป็นเปรต ให้ฝึกนะแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเราลองมาเล่นแล้วมาทายอนาคตตัวเองดูว่าจะไปไหนอ้าวันนี้เชินกลับบ้านเออไม่ได้กลับบ้านสินะกลับเอาหิ่งห้อยอ่า